คำถาม<อ>าาได้ป้ะได้คำถามจากคุณขวัญเดือนค่ะทําบุญกระถิ่นได้บุญเยอะกว่าบุญอื่นหรือคะไม่หรอเยอะไม่เอมยอะแล้วไม่เยอะนี่อยู่ที่เงินที่เราทำบรรยายัหมทำร้อยานะบาทจะทํากรถิน่นทําผ้า ป, ปา่าทําสังฆทานก็ได้แค่ร้อยบาทถ้าทำสองร้อยบาททํากรถินทําอะไรก็ได้สองร้อยบาทดนั้นอยู่ที่จํานวนเงินที่เราทำเหมือนซื้อของอ่ะซื้อของร้อยบาทจะ ซื้อร้านเกับซื้อร้านบิ๊กซีมันจะต่างกันหรือเปล่ามันก็ได้ของเท่ากันแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่าเงินสองรอยบาทซื้อที่บิ๊กซีได้ของมากกว่าที่เซเท่ากันอ๋อกันง <laughs> ั้นทําบุญแบบไหนก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้ที่สมัยนั้นเขาที่เขาบอกว่าทําบุญแล้วได้บุญเยอะเขาไม่ได้หมายความว่าบุญเยอะได้ประโยชน์เยอะสมัยก่อนไม่มีผ้าเข้าใจไหม พระนี้ไม่มีผ้าไม่มีใครถวายผ้ามีแต่ใส่บาตรผ้านี้ต้องไปหาผ้าตามป่าช้าผ้าป่าไงเขาเรียกผ้าป่าผ้าที่เขาห่อศพที่เวลาพ้าบวชกันเยอะๆมันก็ไปแย่งผ้าห่อศพกันจนไม่มีผ้าเหลือให้ใส่กันพระเลยขาดผ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทำบุญถวายผ้ากระถินนี้จะได้บุญเยอะได้อนิสงเยอะ คำว่าประโยชน์คำว่าท่านหมายถึงประโยชน์เยอะไม่ใช่บุญที่คนทำคนทำนี่ได้บุญทำทาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นสมมติเอาเงินใส่บาทร้อยบาทกับเอาเงินถวายกระถินร้อยบาทมันก็ได้บุญเท่ากันแต่ตอนนี้อาหารใส่บาทมันเยอะแล้วขอให้เอาเงินร้อยบาทนี้ทานนี่ไปใส่บาทมาซื้อผ้าถวายผ้าดีกว่าเพราะตอนนี้ผ้าไม่มีส่กัน อันหนึ่งบอกว่าทําบุญถวายผ้ากฐินได้บุญเยอะได้ประโยชน์เยอะกว่าความหมายอยู่ตงนั้นแต่บุญเท่ากันบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เราได้ทําได้เสียสละเงินร้อยบาทเนี่ยมันเท่ากันเสียสละร้อยบาทให้แม่ให้พ่อก็ได้เสียสละร้อยบาทใส่บาตรก็ได้ได้ความรู้สึกเท่ากันความสุขใจเท่ากันถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็เสียเสียมากกว่านั้น ทำบุญร้อยบาทสองร้อยบาทนี้อันไหนจะโศกใจมากกว่ากันใช่ไหมอันนั้นเขาว่าบุญแต่อันนี้สงนี้แปลว่าประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับจากการทําบุญของเราอันนี้อยู่ที่ว่าผู้รับนี่ขาดอะไรถ้าสมมติที่นี่ขาดค่าอินเทอร์เนต็ตเนี้ยไม่มีใครจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตก็ถ่ายทอดไม่ได้ ก็จะบอกว่าเนี่ยใครช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจะได้ประโยชน์เยอะได้บุญเยอะอ่านใจไหมออย่างอื่นเยอะแล้วเนี่ยผ้ามาให้เยอะแล้วน้ําเยอะแล้วแต่ค่าอินเทอร์เน็ตไม่มีเดี๋ยวก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตกันหมดเลยอันนี้พูดตัวอย่างให้ฟังะสมัยก่อนเขาเขาจึงบอกว่าถวายผ้ากระถิ่นได้ประโยชน์เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ได้บุญเยอะประโยชน์เยอะที่เราใช้คําว่าประโยชน์ ผิดไปมันใช้เป็นคําว่าบุญแทนกันก็เลยคิดว่าทําบุญถวายกระถินได้บุญมากกว่าทาบุญถวายสังฆทานอย่างนี้เข้าใจไหเดี๋างนี้กระถิญผ้าป่ามันก็เท่ากันเพราะว่ามันก็ผ้าเยอะเท่ากันอยู่แล้วผ้าก็เหลือใช้แล้ว<ม>ทีนี้ถ้าอยากจะทําบุญเยอะต้องไปซื้อที่ทําสร้างวัดป่าดีกว่า<ม>ตอนนี้วัดป่าไม่ค่อยมีมใครมีเงินไปซื้อที่ที่ตรงไหนว่างไปปลูกป่า เราจะได้ทําที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้กันตอนนี้ต่อไปป่ามันจะน้อยลงเนี่ยป่าไม้เดี๋ยวนี้เขาห้ามแม่พระเข้าไปตั้งวัดละเข้าไปไม่ได้นะงั้นต่อไปนี้ถ้าอยากจะทําบุญได้ประโยชน์เยอะมาสร้างวัดป่ากันดีกว่าซื้อที่นาที่ไร่ก็ได้นแล้วก็มาปลูกต้นไม้กันให้เยอะๆทําให้มันเป็นป่าขึ้นมาจะได้ร่มเย็นจะได้มีที่มาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน ต่อไปมันจะไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้สร้างแต่วัดที่ไม่มีต้นไม้พุทธศาสนาเขาถ้าไม่มีต้นไม้นี่ไม่ถือว่าเป็นวัดแ ล, ล้วรู้ป่ามีแต่โบสถ์มีแต่เจดีย์มีแต่กุฏิมีอะไรเต็มไปหมดเลยต้นไม้นี่ไม่มีความร่มรื่นไม่มีต้องอาศัยแอร์กันเครื่องปรับอากาศกันอันนี้สมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในป่าในเขากันสมัยก่อนมันเยอะ ป่าเขาเยอะแต่สมัยนี้คนเยอะก็เลยต้องตัดต้นไม้ปลูกบ้านปลูกอะไรกันเยอะทาถนนหนทางป่าก็เลยน้อยลงน้อยลง <c oughs> ย่างถ้าเราอยากจะรักษาพุทธศาสนาเราต้องสร้างป่ากันขึ้นมาปลูกป่ากันขึ้นมาเพราะว่าศาสนาพุทธนี้เกิดจากการอยู่ในป่านะไม่ได้เกิดจากอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านนพระพุทธเจ้าอยู่ในวงังยังต้องออกไปอยู่ในป่าเลย <c oughs> เพื่อไปปฏิบัติในป่ากันพระอรหันต์เกือบทุกลูกนี้บรรลุในป่าในเขาทั้งนั้นไม่มีพระรูปไหนบรรลุในเมืองกันหรอก mm hmm. ใช่ไหมฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าอยากจะได้ทําบุญอนิสงส์เยอะๆประโยชน์เยอ ะ, ยอะๆก็เราช่วยซื้อที่ปลู ก, ป, ลกป่าทําเป็นวัดป่ากันดีกว่าจะได้มีมีพระปฏิบัติกันเรฉะนั้นถ้าไม่มีพระปฏิบัติมันก็จะไม่มีไม่มีศาสนาพระเรียนนี้มันยังไม่รู้เรื่อง เรีนแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยยังฆ่ากิเลสไม่ได้เรีนธรรมะนี่ฆ่ากิเลสไม่ได้ปฏิบัติยังทําตัวยังเป็นวิงอยู่ถ้าจะฆ่ากิเลสฆ่าลิงนี่มันต้องมาปฏิบัติทําให้สงบทําใจให้สงบแล้วมันจะเรียบร้อยสง่างามแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วมันดิ้นเหมือนวิงใช่ไดิ้นไปตามศูนย์การค้าเนี่ยไปชอปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของ ที่นู่นที่นี่กันไปมันทั่วไปหมดทุกแห่งทุกคนแต่ป่าไม่ไปแห่งเดียวดูนะเดี๋ยวนี้พระหนีป่ากันนะแต่ที่จะเข้าป่ากันนี่ไปสนามบินกันไปขึ้นเครื่องกันลองไปดูข้างนอกจนเจอพระเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละเรียนแต่ไม่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าป่ากันหมดนะเ ข, าเข้าใจอย่างคำว่าทําบุญกระถินได้มาก คำว่ามากก็คือประโยชน์คือสมัยก่อนไม่มีผ้าพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกโยมว่าถวายผ้าผ้าบ้างสิมีแต่ถวายแต่อาหารบิณฑบาตส่วนผ้านี่ปล่อยให้พระไปหาผ้าในป่าช้ากันนิยาโยมก็ไม่กล้าถวายคิดว่าเป็นธรรมเนียมของพระจะต้องไปใช้ผ้าเก่าใช้ผ้าในป่าช้าใช่มันก็เป็นธรรมเนียมแต่นี้ผ้ามันหมดไม่พอ นี้ก็เลยต้องเอาผ้าผ้าใหม่มาถวายอคำถามต่อไปคุณเจียถามว่าพระที่วัดมีกี่รูปคะไม่ได้นับเหมือนกันต้องคำถามจากคุณนาราค่ะฟังธรรมะรู้สึกอยากนอนเวลานอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วฟังธรรมใหม่ไม่รู้สึกอยากนอนเป็นเพราะเหตุใดครับก็ตอนนั้นมันง่วงมันก็อยากนอนสิ คำถามจากคุณนาลาค่ะทำบุญตักบาตรกับพระปอมได้บุญไหมมีในสมัยพุทธกาลได้ไหมครับคำว่าบุญถ้าหมายถึงความรู้สึกในตัวเราในได้เหมือนกันให้ขอทานให้พระให้พระปอมเราเสียสละเงินของเราไปให้เขาเพื่อให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขกลับมาความสุขที่เราได้จากการทำนี่เรียกว่าบุญยันให้ใครก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้พระจริงพระปอมเหมือนกัน เป็นเงินของเราเรายินดีเสียสละให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็เกิดความสุขเกิดบุญขึ้นมาในใจเราอันนี้ได้บุญเหมือนกันแต่ประโยชน์ไม่เหมือนกันให้พระ ป, ปอมเดี๋ยวพระก็ไปก็ไปกินเดี๋ยวก็ไปตั้งวงกันบินณฑบาเสร็จกลับไปอยู่ที่พระก็ไปตั้งวงกินเหล้ากันเล่นไพ่กันไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ แต่ถ้าทำบุญกับพระจริงพระจริงเขาก็กลับมาวัดเขาฉันเสร็จเขาก็ไปเรียนหนังสือ<ม>ไปปฏิบัติอันนี้ประโยชน์เกิดต่างกันทำบุญกับคนที่ทำประโยชน์เขาก็จะทำประโยชน์ทำบุญกับคนที่ไม่ทำประโยชน์เขาก็ไม่ทำประโยชน์คำถามจากคุณซีซั่นค่ะผู้ที่ทำอาชีพค้าขายอาหารที่มีเนื้อสัตว์และขายสุราด้วยเป็นสัมมาอาชีพที่บาปมากไหมคะ เป็นมิจฉาที่ไม่ใช่สามาอาชีพอาชีพที่ต้องฆ่าผู้อื่นนี่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ถึงแม้เราจะไม่ได้ฆ่าเองมันก็มันก็นกยังทําให้ผู้อื่นเขาฆ่าอยู่ทําอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ดีกว่าไม่ต้องฆ่าชีวิตของผู้อืน่นเพราะชีวิตของใครใครก็รักกันชีวิตของเป็ดไก่เขาก็รักชีวิตของมันกับชีวิตของเรา งั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นเป็ดเป็นไก่เราอยากจะให้เข้ามาจับเราไปเป็นอาหารไหมคําถามจากคุณน้ําใสค่ะทางสายกลางคืออะไรอยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่างซ้ายกับขวาไง <c oughs> ไม่ซ้ายไม่ขวาก็อยู่ตรงกลางใความหมายก็คืออยู่ระหว่างวิธีปฏิบัติดับทุกสองวิธี ที่ไม่ใช่ทางที่ดับทุกขเช่นเวลาเราทุกข์แล้วเราไปเที่ยวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์นี่ก็เรียกว่าไปหาความสุขมาดับความทุกข์แต่ความสุขที่เราไปหามาดับเป็นความสุขชั่วคราวเวลาเราไปเที่ยวก็สนุกสนานกันพอกลับมาถึงบ้านก็เจอความทุกข์อันเดิมอยู่ร่อเราอยู่นี่ก็ไม่ใช่วิธีดับความทุกข์อีกวิธีนึงก็คือไปทรมานตัวเองไป ทำอะไรกับร่างกายเช่นเอาเอาเข็มเอาอะไรมาทิ่มปากทิ่งลิ้นอะไรงนี้เพื่อให้มันทรมานมันจะได้สู้กับความทุกข์ได้มันก็สู้ไม่ได้มันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ <Yeah. S 1> วิธีสายกลางก็คือวิธีของพระพุทธเจ้าคือให้ทําบุญรักษาศีลภาวนาในทางสายกลางถ้าทําบุญรักษาศีลภาวนาเดี๋ยวความทุกข์ต่างๆที่มีในใจก็จะหมดไป <Yeah. S 1> นในทางสายกลาง มีสามทางไงทางที่ดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขการที่ดับทุกข์ด้วยการไปสู้กับความทุกข์ด้วยการทำให้มันทุกข์มากขึ้นหาของแหลมของคมมาทิ่มปากทิ่มท้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันจะได้ทุกข์มากขึ้นเผื่อความทุกข์เก่ามันจะได้หายไปมันก็ไม่หายพอเอาของแหลมของคมออกจากตัวเราความทุกข์เก่ามันก็ยังมีอยู่คําถามจากคุ ณ, ณนพลค่ะ ทำบุญกับพระปอมเราได้แค่ทานหรือเปล่าครับหรือไม่ได้อะไรเลยครับก็ได้ทานไงได้ทานทำกับใครก็ได้ทานเหมือนกันได้เสียสลระได้แมงปันคำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะนี่ก็ใกล้วันแม่ถ้าเราไปขอขมากรรมแม่และให้แม่อโหสิกรรมหรือแพระบางรูปสอนให้ขอขมากับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆอันนี้จะทำให้กรรมที่มีผลอยู่ และกรรมที่ยังมาไม่ถึงจางลงหรือหายไปได้ไหมครับไม่ได้แล้วมันเพียงแต่ป้องกันแม่เราไปทำกรรมใหม่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ดีกับแม่เราไปไปขอขมาแม่เพื่อจะได้บอกว่าต่อไปนี้ผมไม่ทำแล้วนะอันนี้ต่างหากแต่กรรมเก่าที่ทำไปแล้วมันก็ทำไปแล้วนะมันส่งเดี๋ยวมันก็ต้องส่งผลไปชาติหน้าลูกมันอาจจะกลับมาทากับเราบ้างก็ได้ต่อไปเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมันก็จะมาทากับเรา การมใหม่ถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่มีตามมาต่อไปการไปขอกรรม น, นี้เป็นการแบบไปเหมือนกับว่าไปไ ป, ไปแสดงความเสียใจความรับผิดชอบอความสํานึกว่าตัวเองทำไม่ถูกต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอนี่คือเป้าหมายของการไปขอกรรมมาส่วนคนที่เข้าไป ที่เราไปขอเขามาเขาจะให้อภัยหรือไม่อยู่ที่เขาอะถ้าไปตีหัวเขาหนักหนักเขาอาจจะไม่ให้อภัยหรอกองคุลต้องขอตีหัวมึงคืนคำถามจากคุณนุ ก, การค่ะยอมทำบุญใส่บาตรให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วทุกวันท่านจะได้รับหรือเปล่าคะอยู่ว่าท่านอยู่ฐานะไหนะไ ง, ไงถ้าท่านเป็นขอทานท่านรอรับบุญนี้อยู่ท่านก็ได้รับ ถ้าท่านเป็นเศรษฐีบุญไปเป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญส่วนนี้ไปคำถามจากคุณทรงศักดิ์ค่ะจริงๆแล้วสมาธิวิปัสสนาถ้าอยู่ในป่าแล้วบรรลุธรรมหมดคนที่อาศายอยู่ในป่าในเขาก็คงบรรลุธรรมกันไปหมดแล้วจริงหรือไม่ครับป่าถ้าอยู่ในป่าแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่บรรลุเนี่ยอยู่ในป่าแล้วต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถึงจะบรรลุทําได้ นั้นสัตว์ป่าในป่ามันก็เป็นพระอรหานกันไปหมดแล้วเลยถามปัญหาแปลกๆเลยคัหนึ่งค่ ะ, ะไม่เป็นไรใจรงเงย็นๆพักก่อนก็ได้ดื่มน้ำก่อนยาโยมมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่า ทางชําระานี่สงนี่ให้จ้าราชการเข้ า, าขมาอ๋อถ้าเราไปขโมยพระวัดเราก็ไปสร้างคืนก็สิงียเําระานี้สง <laughs> ถ, ถ้าเราไม่ได้ไปขโมยเราไปเป็นชําระานี้สงทำไมเราไม่ได้ไปขโมยของสงอ่ยเราไม่ได้เป็นนี่สงเราก็ไม่ต้องชําระานี่สงทีเขาชําระานี่สงหมายถึงเวลามาวัดแล้วมาใช้น้ําใช้ไฟในวัดอ่าก็พระทางวัดต้องเสียค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเราก็ไปเหมือนกับไปเป็นนี่สง เราก็ช่วยชำระหนี้สงเอาเงินใส่ตู้ไปบอรขอเบอร์จากชำระหนี้สงเป็นค่าน้ําค่าไฟไปอะไ น, นี้หรือถ้าเรามาวัดแล้วเราเห็นมะม่วงในวัดตกหล่นอยู่เราอยากได้เราก็หยิบไปหรือไปขออนุญาตแล้วก็ใส่บาตรเอาเงินถวายเป็นหนี้สงไปใช้หนี้สงไปเพราะเราเอาของสงไปไงเอาผลไม้ในวัดไปไถ้าคนถ้าคนที่ไม่รู้แล้วครับอาจารย์ไม่รู้ก็ขโมยไงกัน ถ้าทําบ่อยๆก็เป็นเปรตอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เพราะคิดว่าเป็นเป็นของใครหยิบได้อย่างเงี้ยของรูอย่างมันมีเจ้าของนอกจากของที่อยู่ในป่าเนี้ยมันจะไม่มีเจ้าของอะงั้นเมื่อเมื่อมันมหวังมีเจ้าของเราก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าไม่ไม่มีถ้าเราหาเจ้าของไม่ได้เราก็อย่าเอาไปหรือถ้าเราไปแล้วเราก็เอาเนี่เอาเอาเงินใส่ตู้ไปบอยจากไป มันก็เป็นการซื้อของในวัดไปซื้อของวัดไป ม, มาเรียอยังมาแล้วค่ะคำถามจากคุณชนะตนค่ะทุกของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังอยู่ในสองสารวัตรเกิดจากความอยากทั้งสามตัวคือการมตัญหาภาวะตัมหาและพิวัวิภาวะตัญหา เหมือนกันด้วยกันหมดใช่ไหมค ะ, ะเหมือนกันสัตว์ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พรหมลงมาจนถึงสัตว์นรกนี่ที่มาเกิดแก่เจ็บตายกันเวียนว่าตายเกิดกันเพราะความอยากทั้งสามตัวเนี่ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคำถามจากคุณปุ๊ก ค, ค่ะวันนี้วันเกิดลูกแต่ไม่ได้ไปทาบุญที่วัดเจ้าค่ะ แต่ทําอาหารกับขนมให้เด็กนักเรียนที่เดินผ่านหน้าบ้านเขาก็ขอบคุณอย่างนี้ได้ไหมคะได้ก็ทําบุญเหมือนกันเป็นการทําทานแล้วเรารู้สึกสบายไหมรู้สึกมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็เป็นบุญคําถามจากคุณออยค่ะมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยไหมคะมีก็ให้ท่องพุโทโธไปเนี่ยทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมา ก็พุโทโธพุทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าก็พุโทโธไปแปรงฟันก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจจะเบาใจจะสบายนีแล้วถ้ามีเวลานั่งก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวดีไม่ดีจิตุมันจะตกลุมตกบ่อขึ้นมาให้เห็นเองแล้วจะแปลกใจมหัศจาลใจว่าโอ้ทําไมสุขเยอเกินเนีย่ยง่ายง่ายวิธีง่ายๆ พุโทโธคําเดียวเนี่แหละของวิเศษไม่เอากันชอบไปหาเงินหาทองแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดคําถามจากคุณธานีค่ะเวลาอุทิศบุญหลังสวดมนต์รู้สึกขนลุกชันเช่นนี้เป็นความรู้สึกของเราเองหรือเขาเหล่านั้นมารับกุศลคะก็ความรู้สึกของเรานั่นแหละเราจะไปรู้ว่ามีใครเขามารับหรือเปล่าก็ไม่รู้ คำถามจะคุณสมใจค่ะอยากทราบว่าเวลาเรามีธรรมะแล้วฟังธรรมมากขึ้นคนในครอบครัวมีอคติสนเราควรทําจิตแบบไหนคะอะคนมีธรรมะก็ต้องรู้เสียจะทําจิตแบบไหนถ้ายัางทําจิตต้องมาถาม่าแสดงว่ายังไม่มีธรรมะเพราะถ้าคนมีธรรมะแล้วใครก็าพูดอะไรใครทําอะไรเขาก็สาธุสาธุไปอย่างเดียวไม่เดือดร้อนไม่ไม่ําคาญ ใครจะด่าใครจะชมก็สาธุสาธุไปถ้า <c oughs> มีธรรมะคำถามจากบุณารดาค่ะเก็บขยะตกบนพื้นบริเวณวัดไปทิ้งได้บุญไหมครับได้ทำประโยชน์ให้กับวัดรับใช้สังคมนี่เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างเลยล <c oughs> ้างส้วมก็ไดเ้เวลาไปใช้ห้องน้ำเสร็จก็ช่วยกันล้างหน่อย อย่าปล่อให้มันโศกกระปกถ้าอย้มันโศกกระป๋กก็ช่วยขัดขัดทูๆ ก, กันหน่อยอย่าใช้อย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันคำถามจากคุณชวนค่ะตั้งใจจะไปทําบุญแต่บังเอิญในวันนั้นฝนตกหนักกลัวอุบัติเหตุก็เลยเลื่อนไปก่อนแบบนี้ถือว่าผิดสัจจะไหมครับก็แล้วแต่เราตั้งสัจจะไว้ยังไงถ้าเราตั้งสัจจะกาจะต้องทําบุญไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเป็นอะไร ถ้าไม่สุดวิสัยก็ต้องไปถ้าเรายังไม่สุดวิสัยเราไม่ไปก็แสดงว่าเราเสียสัจจะถ้ายังไปได้แต่ไม่ไปเนี่เสียสัจจะแต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ไม่เสียสัจจะแต่ก็ต้องทําทําชดเชยในวันต่อไปไม่ใช่ทําเป็นลืมไปเลยคําถามจากคุณเปิ้ลค่ะลูกนั่งปฏิบัติโดยการใช้จิตพิจารณาตั้งแต่ศีสัดจดปลายเท้า วนรอบกายไปเรื่อยๆพอกายเบาจิตจะรวมเป็นสมาธิง่ายขึ้นลูกควรเข้าสมาธิต่อหรือออกมาพิจารณาต่อคะอ๋อถ้าเข้าสมาธิได้ก็ให้อยู่ในสมาธินานๆให้จิตมีความสุขนานๆให้มีความอิ่มนานๆเพราะเราจะได้ใช้ความอิ่มนี้มาสู้กับความอยากเวลาเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีความอิ่มนี้พออยากอะไรมันจะต้องไปหาทันที ออกจากสมาธิพออยากดื่มกาแฟก็ต้องไปดื่มทันทีแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความอิ่มพออยากกาแฟแล้วก็บอกอไม่เอาอิ่มแนละ้วไม่ต้องไม่ต้องดื่มก็ได้มันก็จะเลิกได้เลิกความอยากดื่มกาแฟได้คำถามจากคุณณพลค่ะพระปอมก็ต้องเป็นนี่กรรมกับโยมที่มีศีลบริสุทธิ์กว่าหากรับทานจากโยมถูกต้องไหมครับไม่หรอกการทําทานไม่เป็นนี่ใครหรอก นอกจากไปขอหรือไปไปก่อยืมก็ถึงจะเป็นหนี้ถ้าเราให้เงินเขาโดยที่เขาไม่มาขอเราเขาจะมาเป็นหนี้เราได้ยังไงใช่ไหมเขาจะมาเป็นหนี้ก็ต่อเมื่อเขามาขอยืมเงินจากเราแล้วเราให้เขาไปเนี่ยตอนเขาถึงจะเป็นหนี้เราแต่เราเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้มาขออะไรเราไม่ขอยืมเราเราให้เขาไปเฉยๆอย่างนี้เขาไม่เป็นหนี้เราหรอกคาถามจากคุณขวัญเดินค่ะ ถ้าเราฉีดยาฆ่ า, มาแมลงสาบที่บ้านจะบาปไหมคะอ้าวถ้ามันตายก็บาปสิฉีดที่ไหนก็บาปคำถามจากคุณอุ่นค่ะอันนี้สงของการสวดมนต์ยอดพระกันไตปิฎกมีอย่างไรบ้างคะก็ได้สติได้สมาธิถ้าเข้าใจความหมายก็ได้ปัญญาคำถามจากคุณวันนารัตค่ะ เวลานั่งสมาธิชอบปวดหัวเป็นเพราะอะไรคะเพราะกิเลสมันไม่ชอบนั่งพอนั่งดูโทรโทัศน์นี่มันไม่ ป, ปวดพอนั่งสมาธิปวดขึ้นมาทันทีก็เรียกกิเลสสมาล่ะ<ม>ไ <ป S 1> ม่มาอ่าไม่มาก็พักเดี๋ยวพระอาจารย์่านสวดมนต์นี่คือทำมานุสติใช่ไหมครับ เป็นการเจริญสติอย่างหนึง่ง <Okay. S 2> ควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเงินทองคิดถึงล้านคิดถึงอะไรต่างๆเวลาเราสวดแล้วก็อยู่กับบทสวดไป mm hmm. ก็เป็นการทำสมาธิเป็นการเจริญสติ mm hmm. แต่มันจะไม่เป็นสมาธิหรอกเพราะว่ามันมันจะไม่สงบจะ mm hmm. ให้มันสงบก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วดูลมต่อ mm hmm. แเมื่อเราสวดไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเบาสบายอยากจะหยุดสวด เราก็หยุดนะแล้วก็นั่งดูลมต่อไปถ้าดูลงไปแล้วไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็รวมไปเป็นสมาธิต่อไปได้ตอนต้นบางทีเราดูลมไม่ได้เพราะใจมันฟุ้งใจมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์เพื่อให้มันหายฟุ้งพอมันหายฟุ้งแล้วทีนี้เราก็ดูลมต่อได้เอดูไปแล้วไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวลมมันก็จะดึงเราเข้าสมาธิไป ยังไม่มาเลยมาค่ ะ, ะ<า>คุณวณัลลัถามต่อที่ที่บอกว่านั่งเวลานั่งสมาธิล้วชอบปวดหัวค่ะถามว่าแล้วมีวิธีแก้ได้ไหมคะได้ถ้ามันปวดหัวก็อย่าเพิ่งนั่อย่าเพิ่งไปนั่งเดินจงกรมก่อนก็ได้เดินพุทโธพุทโธไปก่อนหรือเดินอหรือนั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ายังนั่งดูนั่งสมาธิไม่ได้แสดงว่ากําลังของเราสู้กิเลสไม่ได้ เวลาจะนั่งกิเลสมันจะทำให้เรารู้สึกปวดหัวเราก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ก็ยังปวดหัวอยู่ก็ลองฟังธรรมะไปก่อนเปิดธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนให้มันจิตมันมันหายฟุ้งก่อนให้มันสงบตัวลงหน่อยก่อนแล้วค่อยลองมานั่งสมาธิดูดูลมหายใจหรือพุทธโธพุทธโธดูคาถามจากคุณพิมสุพัฒสค่ะ การบูชาของสังฆท า, านที่วัดที่กรุงเทพเอาไปถวายวัดที่ต่างจังหวัดจะมีบาปมีบุญอย่างไรหรือเปล่าคะไม่มีแหลกของมันก็เป็นของอถ้าเป็นของเราเราไปทําบุญที่ไหนมันก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไปขโมยของเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นบาปแต่เวลาเอาของของโมยมาไปทําบุญมันก็ยังเป็นบุญอยู่แต่บาปมันก็ยังมีบาปมันก็มีบาปด้วย ต้องใช้บาปด้วยแล้วก็ได้รับผลบุญจากการทําบุญด้วยคําถามจากคุณสมชายค่ะจิตตั้งมั่นหมายถึงอย่างไรครับก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทธโธพุทธโธนี่ก็เรียกว่าจิตตั้งมัน่นหรือถ้าอยู่กับความรู้เฉยๆไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยสักแต่ว่ารู้นี่เรียกว่าสมาธิมีคําถามข้างหลังนะ คำถามจากผู้ฝากถามค่ะสวดเมตตาใหญ่ต้องสวดหลังจากนั่งสมาธิหรือสวดก่อนนั่งสมาธิก็ได้คะการสวดนี้ความจริงสวดเพื่อให้เราให้ใจเราสงบเพื่อจะนั่งสมาธิได้งั้นคนจะสวดสวดก่อนที่เรานั่งแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องสวดก็ไม่ต้องสวดเพราะการปฏิบัตินี้เราต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิ บางทีนั่งสมาธิดูลมหรือพุทโธแล้วมันไม่สงบมันปวดหัวก็ให้สวดไปก่อนสวดบทไหนก็ได้จะเมตตาใหญ่เมตตาน้อยจะสวดอิติปิโสสวดรพสูตรอะไรก็สวดได้ทั้งนั้นข้อสําคัญให้มันสวดโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือดีกว่าให้มันสวดออกมาจากใจได้แล้วก็ไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตาอยู่ในท่าสมาคัดสมาธิแล้วก็สวดไปภายในใจ สวดไปจนรู้สึกว่าใจเย็นสบายก็ลองหยุดสวดดูแล้วก็ลองดูดูลมหายใจต่อไปอมีคําถามเนอะค่ะถ า, ถามอีกสักหน่อยคื อ, ค, อคือโยมฟังท่านเทศตลอดนะคะในรถอะค่ะแต่ว่ามันมีช่วงเนี้ยคือเหมือนว่าคําเทศของท่านมันก้องไปหมดแล้วแล้วปรากฏว่าตรงนี้คือฟังไม่ได้เลยเหมือนมั น, ม, นมันก้องมันมันอยู่ในจิตแล้วก็ ก็ฟังไม่ได้เลยอะค่ะก็เลยไปฟังเพลงแต่เพลงก็ไม่อยากฟังก็แล้วก็ไม่รู้ทำยังไงคะ่ะมันเหมือนเบื่อก็เลยพยายามจะเอาปัญญาที่ไม่อยู่ในฐานสติสมาธิแต่ก็มีมาก ห, หาทางออกไม่ได้ะคะ่ะก็จะให้จะให้วางจิตยังไงเพราะว่าหยุดพุทธหยุ ด, ยดพุดธโทอย่างเดียวดีกว่าตอนนี้จิตมันฟุง้งอะมันไม่ใช่ฟุ้งอ่ามันฟุงนฟ้งต้องใช้พุทธโทพุโทโธพุโทโธพุทธโทคำเดียว ออก็พุโทโธพุโทโธอย่างเดีย ว, วเดี๋ยวมันก็หายเบื่อที่มันเบื่อเพราะมันฟุ้งเไงมันไม่มีความสุขก็คือหยุดฟังเทศท่านาพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเอพุโทโธอย่าไปทําอะไรถ้าไม่พุโทโธก็เอาคําอื่นก็ได้ทำมังสรนังกระชามิปปเคือพุโทโธก็เอา อ, เอื่นอ่าค อ, อย่าให้มันไปคิดถึงอะไรทั้งหมดค่ะมลอีกเรื่องนึงก็คือต่อจากที่พรัฝสลางก็คือ ประมาณสหกเดือนที่แล้วยมก็ไปดูที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะศพมันก็อยู่ได้ติดตามประมาณแค่สามเดือนแล้วมันก็หายอ่ะก็เราไม่คิดต่อไงเรื่องที่ให้คิดไม่คิดมันชอบไปคิดเรื่องที่ไม่ให้คิดนะก็ไม่คิดต่อมันก็หายจางมากเลยก็ไปดูใหม่เลยคือให้ถ้าเกิดจางปุ๊บให้รีบไปดูใหม่อเลือกเปิดไดเน็ตก็ได้ไม่ต้องไปดูที่นั่นก็ได้ไปเข้าไปเค้นอสุภะมันก็โผล่ขึ้นมาดูเค้นสากศพมันก็โผล่คอทไงกั พยายามรักษาไว้เหมือนเหมือนกับเราท่องกอไก่เพาไข่พอเราหยุดท่องสักพักมันก็ลืมก็ต้องท่องไปเรื่อยๆมันไม่อยากจะท่องมันถึงลืมไม่ใช่เลยหรอกไอของอย่างอื่นไม่ต้องบังคับนี่กระโปรงกระเป๋าแฟช่แฟชั่นนี่มันไม่ลืมเลยเพราะมันอะไรมันชอบมันจะไม่ลืมอะไรที่มันไม่ชอบมันมันอยากจะลืมเราถึงต้องบังคับมันให้จํา อยูงงย่เรื่อยจนกระทั่มันฝังใจต้องต่อไปที่ต้องต้องตั้งกฎแล้วทุกวันจะต้องนึกถึงอสุภะถ้ามันไหนลืมต้องต้องต้องสร้างกฎให้มันจำอ อ, อันนี้นึกถึงอสุภะเลยยังนึกถึงกี่ครั้งอะไรอย่เงี้ยคือวันนั้นที่ท่านเทศท่านบอกว่าคือช่วงนี้โยมจะว่างท่านมีคนมาถามท่านบอกว่าให้ให้เซฟตารางเลยว่าอชั่วโมงนี้ให้ทักฟูกอย่างนี้อทําอย่างนั้นได้ยิ่งดีแล้ว <c oughs> เรียนนังเสืซ่ไง ถ้าเด็กไม่มีตารางปล่อยให้ไปโรงเรียนมันก็เล่นกันอย่างเดียวอ่ะต้องมีตารางต้องมีครูคอยต้อนให้เข้าห้องเรียนกันนะจิตเรายังไม่มีวินยัยจิตเรายังบังคับตัวเองไม่ได้เราต้องตั้งกฎขึ้นมาบังคับนั่นแล้วมันจะทำหรือเปล่าทำทำอยให้ทําเด็กอย่าไปคิดมากเลยนี่ยมันก็จะหลอกเราแล้ ว, ลวพอจะทําก็มามาหลอกแล้วมันจะทำหรือเปล่ากันนะ ถ้าทำมันทันก็ไม่ต้องกลัวหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนก็ได้แล้วแต่ไม่ทาอีกเจ็ดล้านปีก็ไม่ได้ถ้าถามว่าไม่ทันถ้าถามว่ามันจะทันหรือจ็ดล้านปีก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่ทำพอใจไหมอ่มามีไหมคาถามอีกห้านาทีอาว่ามาคาถามจากคุณผู้หญิงธรรมดาค่ะเวลาเรานั่งสมาพีจิตเบาสบาย แต่บางครั้งเกิดความกลัวจะขจัดความกลัวได้อย่างไรคะก็หยุดความคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวพุโทโธพุโทโธไปพอเราพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเรื่องที่เราคิดมันก็หายไปความกลัวก็หายไปหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายไม่อะไรมันจะทําอะไรเราได้มันก็ทําแค่ให้เราตายเท่านั้นแนะ่ะแล้วเรายังไงก็ต้องตายอยู่ดี ก็คิดว่าอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องตายก็ได้ยอมตายซิมันก็จะหายกลัวถ้าเรายอมตายแล้วความกลัวต่างๆจะหายไปหมดเลยคำถามจากคุณวิชัยค่ะฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารบาปแล้วแก้อย่างไรงคะก็อย่าไปฆ่าสิกินนะของตายแล้วถ้าไก่ตายนี่เอามากินได้เป็ดตายแล้วเอามากินได้นะแต่อย่าไปเอาเป็ดไก่ที่ยังเป็นอยู่มาฆ่าแล้วมาทําเป็นอาหาร ถ้าไม่มีไก่ตายไม่มีเป็ดตายก็กินผักไปก็ได้กินผักจิ้มน้นําพริกไปก็ได้คําถามจากคุณทรงศักดิ์ค่ะการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าผมเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดๆแต่อยู่ที่จิตของตัวของเราเองไม่ได้อยู่ที่สถานที่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับมันต้องมีสถานที่เหรอร่างกายพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไห น, หน่ะเพราะพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวมีทั้งจิตมีทั้งร่างกายเอ ร่างกายก็ต้องมีสถานที่ให้จิตทำงานสถานที่ที่ร่างกายทำให้จิตทำงานได้สะดวกก็คือในป่าในเขาเมื่อก่อนนี้พุทธเจ้าก็อยู่ในวังแต่ไม่สามารถทำงานของจิตได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีเรื่องมากมีเรื่องมาลบกวนใจมากก็เลยต้องย้ายสถานที่ทำงานจากในวังไปอยู่ในป่าในเขาเพออยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวก็ไม่มีเรื่องอะไรมาลบกวนใจ ก็จะทำงานของใจได้อย่างสะดวกรวดเร็วคำถามจากคุณนรง์ชัยค่ะไม่ยินดียินร้ายคืออะไรครับก็ไม่ยินดียินร้ายไงล่ะใจว่ายังไงนะคำถามจากคุณโดราค่ะถ้าเราปฏิบัติทําแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําประกันชีวิตทั้งโลกก็ได้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็มีพระอุ้มไหน่ก็ไปทําประกันชีวิตกันนะ คำถามเจคุณสาวิตรีค่ะถ้ากลัวตายกลัวเป็นโรคต้องทําอย่างไรคะก็อยามาเกิดสิค <laughs> <laughs> าถามเจคุณเอเกี้ค่ะปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบเหมือนแต่ก่อนต้องทําอย่างไรครับก็ปฏิบัติใหม่สั้งสติขึ้นมาใหม่พุโทโธใหม่คําถามเจคุณขวัญเดือนค่ะ คนที่ทำงานชอบมาเล่าให้ฟังว่าเจอผีบ่อยๆอทราบว่าผีมีจริงไหมคะผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงเข้าใจไหผีจริงก็คือเนี่ยพวกเราที่ตายไปนี่ก็เป็นผีกันทุกคนพอเราไม่มีร่างกายเราก็เป็นผีกันดวงวิญญาณดวงวิญญาณพวกนี้ไม่มาหลอกเราหรอกไอ้ที่ ผ, ผีผีไม่จริงอ่ะมันหลอกก็คือใจเราหลอกเราเองชอบคิดถึงผีคิดถึงนั่น คิดขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองสร้างผีขึ้นมาจากความคิดของเราอันนี้ผีปลอมไอนน้ผีที่เรากลัวกันนี่ก็คือผีปลอมเนี่ยพอมันอยู่ที่นี่ตอนเคยอยู่คนเดียวบนนี้เดี๋ยวผีมาเต็มเลยมันมาจากใจเราคิดไปมันเองเข้าใจแต่ถ้าใจสงบมันไม่มีมันไม่คิดถึงผีคนบางคนมาอยู่บนเขาไม่ได้เพราะใจไม่สงบพอมืดหน่อยนี่เห็นอะไรเป็นผีหมดเนี่ยแนสดนงว่า ใจปรุงแต่งใจหลอกตัวเองนี่เขาเรียกว่าผีปลอมผีปลอมมันผีหลอกนะแต่ผีจริงเขาไม่หลอกเขาตายเราตายไปแล้วดวงวิญญาณเขาก็ไปตามพบตามภูมิของเขาแล้วเขาจะไปเป็นเทวดาเขาก็ไปแล้วเขาจะไปตกนรกเขาก็ไปของเขาแล้วเขาไม่มีเวลามานั่งหลอกเราหรอกหลอกเราก็ได้อะไรแะใช่ไหมดังนั้นผีจริงไม่หลอกอผีหลอกไม่จริงขอให้จำคาคําพูดนี้ไว้ก็แล้วกัน หมดแล้ยังยังค่ะอ๋ออีกสองสามคำถามอยู่คําถามจากคุณรัตนสุดาค่ะการทําหมันแมวด้วยเจตนาดีหวังว่าจะได้ไม่มีแมวจรเกิดมาอีกเป็นบุญใหม่คะมีบาปใหมคะมันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะเพราะแมวก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการทําหมันของเราแต่มันก็ไม่ได้รับโทษการทําอะไรให้จะเป็นบุญต้องผู้รับจงได้รับประโยชน์ เรื่อเราเอาเงินใส่บาตรเนี่ยเป็นบุญเพราะเป็นประโยชน์เพราะคนรับเขาได้อาหารไปกินเนี่ยแต่ถ้าเราขโมยของพระไปก็เป็นบาปเพราะทําให้พระเดือดร้อนนั้นการกระทําอะไรดูที่ผลกระทบของผู้ที่เราทําถ้าทําให้เขาเดือดร้อนก็เป็นบาปถ้าทําให้เขามีความสุขก็เป็นบุญคําถามจากคุณลาวันค่ะจิตที่เหนือบุญเหนือบาปเป็นอย่างไรคะ ก็คือจิตที่ไม่ได้ทําบุญไม่ทําบาปไงคือจิตของพระอราหันต์ค่ะคําถามจากคุณปุ๊กกี้ค่ะถ้าญาติสนิทเรามีความเห็นผิดไปนับถือสิ่งที่ทําให้เสียทรัพย์เราควรแนะนํำไหมคะหรือควรวางเฉยคะก็อยู่ที่ว่าเขายายินดีฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาเชื่อฟังเราก็บอกเขาไปถ้าเขาไม่ฟังเราพูดไปแล้วก็เขาก็ไม่สนใจก็อย่าไปพูดดีกว่า คำถามสุดท้ายยาวนะค ะ, ะว่ามาคำถามจากคุณนัทพรินค่ะอยากสอบถามถึงการทํางานของจิตที่เรียกว่าเจตสิ ก, กตัวจิตเจตสิ ก, กที่สามารถรับรู้ได้ทีละอย่างจะต่างกับตัวสติหรือจิตผู้รู้ที่รับรู้เรื่องราวได้พร้อมๆกันหากเป็นเช่นนั้นแล้วหากเราฝึกที่จะรู้กายทั้งกายไม่ได้เพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่ง อยากสอบถามการทำงานของจิตเจตสิกว่าจะสามารถรับรู้ทั่วกายพร้อมกันเลยได้ไหมคะแล้วเช่นนี้จะเรียกได้ว่าเป็นการรับรู้ทีละอารมณ์ได้เช่นใดคะก็แล้วแต่เราจะมองในร่างกายเนี่ยเราจะมองชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้มองแต่ตับอย่างเดียวก็เห็นแต่ตับอย่างเดียวแต่ถ้ามองทั้งหัวใจทั้งปอดลำไส้ที่มันอยู่ติดกันมันก็เห็นมันก็เห็นได้พร้อมกัน เหมือนคนเนี่ยเราจะเห็นคนเดียวก็ได้เห็นทั้งหกเจ็ดคนก็ได้อยู่ที่เราจะมองใช่ไหมถ้าเราอยากจะมองคนเดียวเราก็เห็นคนเดียวถึงแม้จะมีหกเจ็ดคนนั่งอยู่นั้นเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะเราไม่มองแต่ถ้าเรามองทั้งหกเจ็ดคนเราก็จะเห็นทั้ง6กเจ็ดคนงั้นอยู่ที่เรามองอยู่ที่เราดูอาแล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงแนวเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้